ความอายุมั่นวันยืนวันเกินที่่านไปไม่มีแต่วันสุขตลอดกาศตลอดชีวิตดดที่เอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าความปรารถนาดีความปรารถนาดีเป็นธรรมะจันสูงเป็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้าทุกประอค์ มีความปรารถนาดีต่อจัตบุคคลทั่วไปเจ้าคนจะให้ร้ายจะเบียดเบียจะลังเกียจเบียดขันก็ยังปรารถนาดีแก่นว่าใจวันทัดนี่มววสมัมผัรได้ที่ั่วท่านยังรับเท่ากับพระราหุนท่านความไอ้นี่แหละเริ่มงปะเดชประชมาธรรมธเจ้านี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เราเลิมไม่ได้ เราลืมกิน le ข้าไปสองมือไม่เป็นไรแต่การลืมพระเจ้าวินาทีเดียวมีเรื่องกรรมอะไรที่ผิดพลาดก็ลืมพระพุทธเจ้าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าไปเสมอถึงไม่ไม่รู้ว่าคนดีกว่ามดีเป็นยังไงแต่ต้องพูดว่าพุทโธไวเอวังบุตรธรรมบาลานันนำทมังสทำคันจะพิกโร วายังว่าางวิจัตตังวาโลมังท้าในะติพระโคดจเจ้าดัดว่าใครผู้ใดมันราลูกถึงพระองค์เกิดพุทธโธตัมโมทั้งโกนี้ให้นึกจริงๆนะไว้บ่อยๆที่นี่นักกรรมฐานนั ก, กอบรมใจเนี่ยก็ใช้เป็นหลักอนเรื่องพุทธโธตัมโมทโั้งโกนก็จงได้ดี ได้ท้องงงกัเจ้าได้ดีเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นอาลงได้ดีมาแล้วตั้งแต่หนื่อยแต่ไรเด็กคนใช้ดูที่เจ้าเท่านั้นไม่มีคนได้ดีคนไหนที่จะไม่ทําตามพระพุทธเจ้าใดจะได้ดีไม่มีแต่คนได้ดีเป็นติเอิตราคนคนมีแต่เงินไม่แต่เงินทองใช้แต่จิตใจผมไม่ถูงหรอกจิตใจต่ำจิตใจต่ำกว่นอกศาสนา ถ้าคนในศาสนาจิตใจสูงเก็ใจดียามคนมาวันนี้ไม่ใช่เย็นไปนะพอต้องมาทำบุญเพราะอะไรเพราะมีพระพุทธคุณเป็นอารม่มถึงพระสององค์พระเจ้าทั้งหมดนี่ท่านทรผ้ากาดรพัชอยู่ได้เพราะท่านอาศัยพุทธโธสมโอมสามโกแตวันไหนลืมเราพระเจ้านี้กระสันจะถึกแน่นอนอยู่ไม่ได้ ไปเห็นทางโลกดีกว่าตามศาสนานี่มาได้เจียดจีเทียนชาวโลกแต่ผู้เจ้าพัดว่าทางโลกนี่มันยุ่งมันยุ่งมากตนพูดไม่ไหวเดี๋ยวเรื่องเป็นเรื่องนอนเรื่องหัวเรื่องเมียเรื่องรับรองบัตรเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องพูนบวามอุดอันนั้นต่างกันกว่าเรื่องทางโลกการจึงบอกว่าเมื่อสางโลกวุ่นวายเอาเราไปใช้ในทางโลกได้ เอาพระพุทธประดรบสองประชามรอบได้ยังมีกํรมุยบาิที่ขึ้นขึ้นว่าตอนว่าแหวงบทธรางการด่านดังทำบังสงคัญจะพิโกวไปยังว่าจำปิจัดสังว่าโลนังท้อในสริแปลว่าผู้ใดมันระนึกถึงพระพุทธประดัะสองทุอย่างนี้ความฟุวควางต้านสามความประยดเจยองผลผอมเราย่อมไม่มี ามว่าความ twenty, three, กลัวหนึ่งกลัวตายสองกลัวจะพ้าได้ป่วยสามกลัวจนกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นโดยเหตุใดอย่างหนึ่งเขาเป็นกลัวแล้วก็การหลุดจะยองคนกล่อมกล้าวกลัวกลัวไหลกลัวด้วยกันแต่ว่าทางศาสนานี้มีกลัวตัวเดียวคือกลัวบาปกลัวบาปกลัวสิ่งไม่ดีจะเกิดขึ้นกับเรา แต่ยาวบ้านจะไม่ค่อยกลัวบากเพราะว่ากล้าดาเพราะไม่ได้บวชในศาสนานี่เขากล้าแจนําได้ไกไ็ไม่กลัวบาปจะกล้าจัดจากกิวิจจะกล้าคนหรือจะกินเหล้าเมายาจะปิดโรคแย่ใส่แม่ตอมตัวเพราะว่ากกตของชาวโลกนี้มันวุ่นวายอยู่กับเรื่องกับเรื่องกิเลสเรื่องกิเลสเรื่องศาสนาเรื่องวัจนกิจติเรื่องถือ น, อนะออนอวัติรูตัวยอกตนผมท่าน เกณฑ์ได้ดีก็ข่มคนอื่นพอรวยก็ข่มคนจนเป็นอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่ารวยแล้วยิงกันนะยิ่งเะนะข้ากับคนไม่ได้เลยได้ดีมีย อ, อดสาวมันจะดับขึ้นจ น, นไม่ต้องมองเราแล้วแหละไปหลงติดเรื่องนี้น่านทางโลกแต่ถ้าตามนำตามทำก็คงตอบโยมเพราะตามทำต้านหนี้หรือโลกการทำ 8. เป็นหลัก ได้ละเทียมละได้ยอดเทียมยศได้นินทาเสนเสรินได้สุกได้ทุกแปดอย่างโลกกระทำอยู่ประจำโลกอย่างนี้ใะไหนจะได้มาเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องโลกกระทำอย่าให้ครอบควาใจตัวเองถ้าครอบแล้วทุกถึงได้ยดสามนาฏกั็หลงกับทุกถ้าหลงตั้งกำเริบเปิดฝังกระเลิบเปิดเฟือนี่เราจะลืมตัวนี่เถื่อนทางนักยันแย่งยง ความเสียของคนไม่ได้มาจากไหนมาจากให้ตัวบาปความดีของคนไม่จะมาจากไหนมาจากตัวตัวบาปมีที่มีอดตัปปะมีไอไม่ใช่อายผู้อื่นอายตัวเองไม่จอมอายใครจอมโลกนี้แก่อายตัวเองมากกว่าเฮ้ย hey, คนเก่นเรงทําได้เช่นนี้เหรอการรับตัวกลัวกรรมอย่าทําชั่วจะมองมัวห ม, มหน่นม้อยเปนเบืองผี ให้เลือกทำแต่ทำที่ดีๆจะได้มีความสุขพ้นทุกใบเราต้องหาเรื่องดีๆทําเป็นงานประจําใจเรื่องดีไม่มีอะไรในโลกนิยมเรื่องความดีไม่มีอะไรเหนือจากขีหน้าลองรักษาขีหนา้าดูนะจําไม่ฉุกต้องฉุกแน่นอนก่อนไม่มีขีหน้านรืมันไตไม่มีขนค น, คนไม่มีเส้นมันไปไม่รอดคนต้องมีเส้นถึงเป็นชาวบ้านเราต้องมีเี้น เป็นผู้หญิงผู้ชายลุกเด็ดกว่าทำเน็ตตัวได้จะตรวจสอบเคลื่อนไปกับนับสารถี่ได้หรือมันไม่หนักหนาใดย่อมเรื่องถี่เนี่ยนักษารเก็บของดีถ้าไม่ดีพระเจ้าไม่ยั่งเตือนไหมท่านกลัวพวกเราจะตกละกรรมลําบากจะตกระกรรมลำบากก็ตกนรเนเพราะไม่อายบาปไม่กลัวบาปเมื่อไม่อายบาปไม่กลัวบาปทาบาปได้ทุกสถานที่กล้าแท็กได้ กล้ า, ามมกิไไนเหล้าได้กล้าปิดรูปเมียเราได้อะไรเหล่านี้เป็นต้นเราเก็เป็นคนหนึ่จะมีบุญนะยองจำยากตอนค่อนแก้มพี่คนพิการในครอบเป็นคนขอความบ้าไปยังดีกว่าเป็นการดีในฌานเพราะฉะนั้นทำดีเมื่ อ, เ ม, อเมื่อตอนเกิดเป็นอะไรทำดีเมื่อตอนเกิดเป็นมนุษย์ใจเก่งหญิงน่าอิน น, นีนน่เลยกิดมาเพื่อทําดีไม่จะมาหลงโลกไม่จะหลงเรื่องเกินเรื่องอยู่เรื่อง อะไรๆที่โลกก็ทํากันอยู่เนี่ยนั้นะมันไม่ดีโยมนี่เราพูดตรงๆนะโลกไม่ดีโลกไีดีก็โลกอยู่ที่สีแปดสีหน้าไอ้เจนแปดเปนถุ่มไปนะสีหน mm. ้าเป็นของใหญ่ดังในพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพี่โจร ท, ทั้งหลายในจักรวาลโลกธาตุนี้มันใหญ่โตมโหฬารมีบ้านช่องงอหอมีเวียงวังกำนาำมากมายค้าขายขากับโลก ขายที่ดินขายอะไรอะไรเยอะคนบางคนก็มีเงินหมุนแสนล้านโกรธก็ซื้อประเทศไทยได้เป็นยินกว้างเท่าใดพวกใจร้อยพวกป่าไม้พวกของทางนางในประเทศไทยก็ซื้อได้หมดเลยซื้อพระราชาที่เขได้เอาไวให้ได้แต่ราคาของเียนี่ไม่มีราคาเพราะเป็นของกคำนวณไม่ได้ คำนวณราคาของอาคาหลังนี้เท่าไหร่ได้คำนวณราคาตาัวบ้านยอมได้แต่คำนวณกําเนินถึงคุณของตรีนี่ทําไม่ได้หยงมากเหลือประมาณตรีหนา้าเนี่ยเป็นของตีอย่างลําเลิทําไมกดตายตัวว่าตักทำบุญอะไรต้องตีหนา้าคนตายก็ต้องตีหนา้าคนแตง่งงานก็ต้องตีหนา้าอะไรอะไรก็ต้องตีหนา้า เพราะกีน่าข้าวกับคนได้จงจำพวกแล้วคนที่ได้ดีกันนักตนามาจากที่หน้าทั้งนั้นเจนว่าไอป้าแก่คนเดิมนี่ของไม่ชอบแก่พอไม่ชอบแก่ก็ไปอยู่น้าไร่ปลายนาอยู่เป็นคนแก่แล้วระเจากับคนคว้าว่าในเมืองนี้ี่ใครมีกีน่าบ้างต่คนคว้ากับพวกเศรษีีไม่มีหรอกไปคนฆ้ากับคนรวยก็ไม่มีหร อ, อก แต่เป็นคนคว้ากับคนจนเนี่ยไม่ได้ตาแก่นี่เลยอันดับหึงของประเทศเพราะว่าเป็นตาแก่มีสีหน้าปราชากทดลองกับจริงไหมให้อมัดผัาไปไปตัวนว่าเอาไปตัวนี้ให้ตาแก้น้นเชือดคอถ้าไม่เชือดกอเถืแฟนกิจอาญาของแผ่นดินของประราชาเจ็ดวันเราจะมาควงขาว่าวฆ่าสัตว์ได้ยัง พอเอาไก่ไปไว้ท high ี่บ hey, ้านไก่ก็กอดมาไว้แนบไปนี่ดับแน่ว่าเฮ้ยเพื่อนเอ้ยเราทําเติมไม่ได้เราเรายอมตายแล้วให้เธออยู่ตัวใหญ่ใหญ่ตายในนําบุญฉันแล้วพระราจาฉันไม่ได้กลัวหรอกวันกระไรถึงทํำเลยทำไม่กลัวยังท่านอย่างไรก็ทำเราไม่ได้แต่ว่าเราไม่ฆ่าพอเราไม่ฆ่าวันที่เจ็ดเขาก็มาเอาเอาไก่ว่าคาาอะไรยัง อย่างไม่ไรคกล้ากไม่ได้ก้าข้าวังเดียดนี้พระราชาก็ออกท้องโรมเรียกตัวไปถามว่าทำไม่เตื้อด้ต่ อ, เ, อตเราแต่รู้จักไม่ใครอ่ะก็พระราชาในใครเือไม่ได้ดิข้าพระเจ้าไม่ได้เื้อแต่ที่ไม่ทำกันเพราะว่ามันบาปที่พระผู้เจ้าห้ามไว้อะไรผู้เจ้าห้ามไว้ไปเตื้เดินทําไม่ได้จึงพระเจ้าเป็นคนจนกคนจริงแต่จนแต่ข้างนอกแต่รวยข้างใน บางคนข้างนอกกวดจนข้างในกวดจนกข้างนอกก็ไม่มีสีข้างในก็ไม่มีหีดที่อุดตันปากเพราะฉะนั้นเราถึงจนก็ต้องรักษาสีหน้าเอาไว้ตลอดชีวิตมาใจวันต่อวันถ้าจะพูดภาษาคนแก่นะลูกลูกทุกคนนี้นั่งอยู่ที่นี่มันชั้นลูกเอกทั้งนั้นเราจะพูดแบบลูกเราทุกคนวันนี้ว่า ขอลูกลูกเก่งหรืงลูกชายพระกำกันบัญชาลูกลูกทุกคนพ่อรับมากเรารู้มาจากพระเจ้าว่าให้ลูกทุกคนรักษาที่หนะ้าถ้าไม่รักษาถือว่าลูกนี่ไม่อยู่ในอำนาจปกครองของพระพุทธเจ้าทีนี้พระราชาทางท่าความกู่อจุดท้ายปลายทางตอเรียกอำมาตย์ว่าเอาของรางวัลมาให้คนถูกคัดเลือกเป็นที่หนึ่งของประเทศเรา คัดเลือกคนที่มีจีนกับคนจนขอมีจนจ ร, จริงแต่ข้างในของไม่จนคนมีจีนไม่จนโยมคนไม่มีจีนจนแต่คนมีจีนไม่จนไม่จนยังไงอ่ะเนื่องไม่กล้าจัดใจะมีเมตตาด้วยเพราะเสกหน้าจริงที่มีมันทริเสกหน้ า, า 5, ทําหน้าเสกหน้าข้อที่หนงไม่กล้าจัดเวน้นแล้วก็มีเมตตา ก็ที่สองไม่รักแบบหันโดก็ที่สามไม่ทำปิดพลาดเรื่องสามีภรรยาก็ที่สี่พูดจัดจับถึงโอกาสจะพูดเท็จได้นก็ไม่เอายอมตายดีกว่ารักษาจัดจับไว้ให้ดีเพราะบรรดาธรรมะทั้งหลายนี้จัดจับเป็นอันดับหนึ่งของโลกมีหญิงคนหนึ่งหน้าตาดีรูปสวยตั้งแต่สาวแกไม่ทราบว่าบาดไใหญย นยายชาวบ้านก็บอกเอ้ยแกหน้าตาดีแล้วก็หน้อาอจะทำบุญเกื่อนบุญนด็กพ่อบุญเดกแฉบบุญเด็กแกว่าบุ ญ, บบญย่างไงเอ้าก็ใจบาตรจะบุญสิไปวัดไปวานักษาศีล ไ, ไปเราเตือนในความบางดีนะแกไม่ไหวแต่แกไม่ดื้อพอตัวท้ายประชามแกตายก็แกตายพระมกุลาหน้าก็เที่ยวสวรรค์ถามว่าวิมานหลังนี้ใครเป็นเจ้าของ ออกมาปรากฏปรากายอ้เองหน่อยจ้ะวะไอ้เองกว่านี้ออกมายืนหนุกผู้หน้าตาดีเว้ยเป็นมนุษย์กัหน้าตาดีเป็นเทวดากับหน้าตาดีแกทําบุญอะไรแหละจึงได้มาขึ้นสวรรค์อยู่ตังกว่าจันทสูงอย่างนี้จันทร์ไม่ได้ทำบุญอะไรเลยมันต้องมีบุญแต่ถ้าเป็นบุญจริงของฉันก็คือจัดจักษันเกิดมาตั้งแต่แอ๊ะมาจากต้อแม่นี่ไม่ปุ๊ดได้ไม่เกิดแก่เลยจนบัดนี้ ไก่สอนน่ะฉันไปอ่านตำนาของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ถ้าวัดเกินฉันอ่านจันรักษารีฉันไม่ไม่พูดทค่ความไม่พูดแค่จัตจะนี่ไปตะวันโยงไม่ต้องกลับบ้านทำบุญก็ได้แต่ําเนี่ยมต้องทำแต่สีเนี่ยเปนของเล่าโยงมีตัวปกิจรับรองนำไปแจกผู้ปล่อยรอยลอเนี่ยเทละแมว่าเอตะอักกัง ปัญญาวะปนาอุตมโมมนุษย์แฝดุจะเดเวตุรีลาปัญญานะโตจะยังทีนี่แปลไปใชยเป็นไทยเราเราว่าศีลเป็นของเลิ่ปัญญาเป็นของถูงฉุดสองเลยนะศีลเป็นของเล่กินหน้านี้ปัญญาของถุงฉุดปัญญารู้จักอนนี้จังตรงเงินตาศีลเป็นเลิ่ปัญแล้วก็ปัญญาถุงฉุด เรามีศัตู้หรือ ว, ว่าเราจะทําอะไรเพื่อแข่งขั น, นให้มีเี็นกับปัญญามีเีลนต์ที่ไหนก็ปัญญาอยู่ที่นั่นที่รพระองค์ชมเปรียบเทียบว่าไอค้คนเดงมชอบเดินไปตามโคลนเลนตมพอมาถึงจะล้างเท้าที่ททนอกไม่ก็มามือยใจหรอกเอาตีนทขวามาเดเตนท์ซ้ายเอาเต็นทซ้ายมาเชดเต็นขว า, า, ขว า, า, ขวารดน้ําลงไปมันก็จะบาดต้องต า, า, า, ายต้องห่วงแค่ไหนเรารักษาเี็นนี่ กับปัญญานี่มันแค่ถูกกันพอจบก็เพรบมันแค่ถูกกิเลสกันสองอย่างการชนะในโลกมนุษย์ชนะกีเลสชนะผู้คนปีนกับปัญญาเท่านั้นเป็นตัวชนะแต่ชนะจ า, ะากตัวด้วยอาวุธยุตธกับปัญนชนะโดยอำนาจด้วยอิทธิอิทธิพลใดไม่ได้ต้องชนะกิเลสด้วยปีนและปัญญาเพราะนั้นปีนหน้านี่ยเป็นชนะกิเลสได้เยอะโยมมัให่ของเล็กน้อน ถึงเราไม่ปรารถนาไปนิพพานนี่ยทาไปเรื่อยๆถึงเนี่ยเพระเดิไม่กล้าทัดไม่กล้กคาคนเยนจ ะ, จะยวามม่อาอย่างไรแล้วก็ไม่รักของคนเค่นี้ของคนทองก้าของจับกองจะกินจะเอาเปรียกก็ไม่เอาแล้วแบบลูกเมียเราก็ได้ออกาสจะทําดูถูกสาวตัวตัวผู้ชายก็ได้ไม่ทําดีไม่ดีอ่ะปากจะพูดจะพูดด่าก็ได้พูดหยาบก็ได้แปลว่ากลับคกองก้าว่าผู้ ด, ดีชื่อจกักจจริต พูดจามีเมตตาต่อกันขังสันมีหลักฐานคอยขอยานรู้จักจบจอง บ, อ บ, อบุญเพราะด้วยเหตุผลต้องการตนและจงงองจำเกิดการสอนศาสนานในคนสองคนนี้ถ้าเขาพูดอย่าไปร่วมเสียงกว่าจะเป็นร่วมปากขอให้หยุดให้เขาหยุดในรอยจมพูดเรว่าพลัดกานพูดพลัดกันกวางการศาสนาในถือหลักใจว่าต้องให้คนนี้พูดเถิดแลวคนนั้นพูดนั่นมรรยาของพระเจ้ายอมกอนมาใช่ได้ อย่าพูดคนเดียวอย่าพูดเสียงกันมันไม่ดิ้นดุลเมื่อควาพูดลบควังเมื่อความเมื่อความรบพูดมีหลักคุณในจอมบทของระษาอีบูที่มีปัญญามากนี่พอแก่พูดคนนั้นกวังพอคนนูดนอนพูดแก่กวางเด็กพูดแกแกกังคนแก่พูดแกแกกังคนจนพูดแก่จนราษาอิบูที่น่ายฉลาดมากนี่คือนและเป็นนักกังเกิดการกังเด็กก็มีธรรมะในตัวเด็ก การควังควงจนผู้ป้าก็ได้มีธรรมะในตัวคนจนทีนี้พระศาดีหมดใจวิธีอย่างนี้วะเหมือนแสงอาทิตย์มีทองหมดเลยบ้านคนจนก็ทองบ้านคนรวยก็จนก็รวยคนขี้ขลาดสามาตถ์ถอ่องกันไลยการเป็นคนนี่ก้งวัทุกอย่างอย่าพูดแต่เราคนเดียวพว่าคนอื่นก็มีป้ามีน้ําใจจะพูดเร า, าเมื่อควังตั้งใจกวัง เมื่อพูดตันใดพูดมั่นเมืองจะสงบไม่ต้องตกเถียงกันแต่ยังชอบเถียงกันเพื่อเอาแยแย น, นาอีไม่ได้การการพูดต้องมีปัญญาพูดปัญญาไม่ใช่มาจากนั้ไนไม่ต้องเรียนมากเหยร้องไม่ต้องจับปริญญาก็ได้แต่ใช้ปากเป็นมันก็ดีไปหมดจึงเรียนมากก็สามารถไปใช้ปากไม่เป็นมาปฏิเสธหายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเรามารักษาเกลียหน้ากันเถอะจะเป็นบอกกลแดงความดี ดังที่มีเรื่องอย่างตั AH mm ้นๆจะไล่วังเป็นเรื่องจริงที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ชายคนเดิมก็มีลูกสาวสวยแล้วผู้สาวผู้สาวกนดีเละสาวสวยลูกปราชาก็ต้องการแต่ตีจะไล้ลูกชายแก่คนมีอำนาจในหมู่บ้านก็อยากไปเป็นลูกสะพ้ายคนนั้นก็มาติดต่อคนนี้ก็มาติดต่อจงแหน่เจ้าเพ่อว่าราลูกสาวคนเดียวนี่มันจะให้ใครจะแน่ว่า ไปถามพระเจ้าจะดีกว่า่าไปถามว่าตัวองค้าของเจ้ามีลูกสาวอยู่คนนก็ต้องการหมดเลยลูกปราชาจนเศรษีหาเศรษฐีคนมั่งมีคนคนโด่งดังในสังคมจะให้คนไหนอะลูกสาวคนเดียวพระเจ้าให้กับคนมีสินิถึงจนก็ให้เถอะเพราะคนมีสินมันรับรับลูกรับเมียมันดี แต่วเด็กคนมีสีจะกระหยันทำหากินแต่รักเมียมากไม่ด่าไม่ว่าจะหาเมียมาไม่จะเอามาด่ามาจเอามาจิ้มแพงเอามาให้เจอเป็นสุกเท่านั้นแหละต้องให้กับคนจนถึงจนก็พอไปแจกน้ำรวยได้แจกตั้งตัวได้รากษาตัวจนคนดีทั้งหลายเรามาทำบุญกันวันนี้ก็มีอุดมปฏิกับข้อหนึ่งหนึ่งหลัจากสองรักษาขีนหายได้ถ้าทำได้แล้ว ควางจุกไปต้อง ไ, ได้ยรก็ได้เพราะข้านพอนี่มาทุกข์กับปากนี่เดียวจนเลาพกตะวันที่ปีใหม่มันจะยากอะไรหรอกโจต้องพรนเลยตัวเองตีละพรเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่จนท้ายนี้กอง อ, อ่างกุลประทีรัชนกรัยเรือพระพุทธประหลาดสองถึงจับติดในกลางโคลนโลกแปลเป็นหมันเพจะอนุภาพมันยิ่งใหญ่ขอดนบรรยงบันด า, าในท่างทั้งหลายในปีใหม่นี้ กอให้ก้าวถึงจนความุกความเจริญเรียกว่าจบกายจบใจพร้อมปลอดภัยจบประสมเกินได้หยวนได้จบสลันปั่พ่อไัยอดยิ่งมานาจบครืบ ก, ก, กระฐานนี้ไว้จั่วกว่าดินกระหลายตลอดกานนานเออ